นีะผู้ควบคุมนะครูอาจารย์ศูนย์พื้นฟูอาชีพคนพิการท่าประแดงอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปาการในวันนี้โดยอนุญาตโครงการของคุณมาลีพ่วงทูศักผู้เงินการศูนย์พื้นฟูอาชีพคนพิการท่าประแดงอ น, นุญาตให้มาสร้างความดีปฏิบัติธรรมณวัดอัมพรวันในวันนี้ มาหลายรุ่นหลายคราวหลายครั้งแล้วแต่ละรุ่นก็มากันและสร้างความดีชีว น, นี้เดือดาจบำเพ็ญชิ้นเจริญกิจภาวนาจงสมประการนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้มาท่านผู้สึกอาชีพอางานที่เรียกว่าคนพิการนั้นแต่พิการเชียงร่างกายชั้ขามในบ้านผ้ากา แต่มาปฏิบัติธรรมนยจิตใจเราคงจะไม่ทิการจริตใจจะดีจิตใจจะมีปัญญาจะฝึกอาชีพได้ดีด้วยอัญญาก็จะเกิดกุศลก็จะถึงนได้ใน ช, ชีวิตของตนเองผู้มาปฏิบัติธรรมนะวัดอัรวานันถึนี้แลนะในเวลานี้ด้วยขออนุโมทนาแต่ท่านผู้มวยกางศูนย์ ความเจ้าหน้าที่และกับครูอาจารย์ที่ฝึกอาชีพให้เราช่ทั้งหลายเหล่านะั้นได้มีอาชีพได้มีความรู้ได้มีวิชาการไปเลี้ยงตัวเองและได้ช่วยตัวเองต่อไปแลได้ถือโอกาสมาบางเพ็ญศีลเจริญจิตภาวนาให้เข้มแข็งให้จิตใจเป็นกุศลจะมาเดชงผลงานอันเป็นบาปกรรมในชีวิตขตนต่อไป คือการเจริญปฐกรรมฐ า, านบำเพ็ญกิจภาวนาต่อ น, นี้ไปโปรดไปรับฟังอุวาสเป็นการประกาศทำและเชิงปฏิบัติการคือการบำเพ็ญสิ่งและภาวนาศึกษอบไปนะโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรทุกๆุกท่าน <c oughs> ชีวิตนี้คือมงคลขอพี่น้องทุกคนช่้างใจปฏิบัติธรรมเรามีเวลาน้อยที่เข้ามาสู่วัดนี้ตั้งแต่วันนี้ไป็นตไปก็คงจะไม่กี่วันสองวันสามวันเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่จะพึงได้นั้นอยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายเอง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 บุญสงเคราะห์หรอเคราะห์ค น, น, น, น, น, นอื่นเขาแต่การมาเจริญสัตยมรฐานจนบางเทนจิตกาาับเขาวันหน้าขันห้าลูกงามเป็นอารมณ์จเจริญสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกของพระพุทธาจาเจ้านี่เรียกว่าบุญในตัวสร้างบุญให้แต่ตัวเองโดยเฉพาะไม่ใช่เอาบุญไปให้คนอื่นอย่างที่ไปทัวบุญวัดโน้นวัดนี้อย่างที่เขาไปกันง่าชิบาย บุญนอกตัวนอกกายนอกใจชิดใจก็เอาดีไม่ได้ชิดใจก็ต่าลงเขาบุญนอกตัวไปหาบุญนอกตัวตามวัดต่าง ๆ, ตงๆแต่บุญที่จะสร้างให้แก่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมีใครสร้างเราบอกให้มาเจริญกรรมฐานก็่ายหน้าไปตามๆกันเขาไม่ต้องการอยากได้บุญในตัวเองเขาต้องการจะเอาบุญไปสงเคราะหคนอืน่น เอาปัจจัยคือสตาที่หามาด้ความยากต่อทำบุญกันไปสงเคราะห์กันไปอนุเคราะห์กันไปเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายอันนี้ขอให้ท่านต่าง์ใจฟังให้ดีว่าบุญสงเคราะห์ตัวเองมีงมั่งหมายเอาบุญมาใส่ใจให้เกิดความสุขจากการชำระใจให้สะอาดบำเพ็ญชินบำเพ็ญกิจภาวนาเช่นนี้เนี่ย จะหาได้ยากมากมาที่วัดกันเออยอะแยะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มากกลเป็นพันมารับทางข้าวแล้วก็ไปกันทางนั้นไปไหนไปหาบุญแต่กลับมามีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นในค้อบตัวครัวของตอนหาความสุขให้แก่ตัวเองไม่ได้นี่แหละพี่น้องที่หัก ที่เรามาปฏิบัติธรรมของผู้นวยการศูนย์ที่ลงมติเป็นเอกฉันมาหลายครั้งแล้วมาเฉียดข้างเลี้ยวมาอันนานแล้วจุดมุ่งหมายของผู้นวยการศูนย์ต้องการให้พี่น้องทุกๆุกคนนี้เนะี่ยมีบุญวัสนาเทียมหน้าทาเขาบ้างในอนาคตข้อการตรงนั้จะจุดแรกจุดที่สองข้องการให้เราได้รับความสุขความเจริญ ในจิตใจในบ้านจิตใจเรายังไม่เจริญกองการให้จิตกับจิตใ จ, จเจริญรุ่งเรืองกองการจะมาฝึกอาชีพประออกอบยึดถือเป็นอาชีพของกนในฐานะเป็นคนพิการก็ตามแต่คาว่าคนพิการอาตมาก็พิการท้อก็หักล้วแขนก็หักขาก็หักไม่เป็นคน ที่เราเลือกว่าพิการเราเป็นคนพิการเหมือนท่านทั้งหลายแขนหกักขาหาักมาแล้วแต่จิตเราไม่พิการเราจึงอยู่ได้รอดปลอ ด, ลอดภัยจากรถชนคอหักเราก็ยังรอดพ้นอันตรายได้รอดพ้นจากขาหากักแขนหักได้และเราก็มาประกอบการงานอันหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนาเป็นทัปปิสุขลูกหนึ่งที่จะช่วยเหลือประชาชน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 เป็นญาตต่อพระธรรมคำสอนเราใกล้ชิดต่อพระธรรมก็คือการปฏิบัติคำนั่นเองทั้งให้ธรรมะแนศรนิษติดอยู่ในหัวใจของเรานั้นได้จากสติสัมปชัญญะทางสายเอที่เราก็ต้องดำเนินงานกันต่อไปต้องการให้เรามีสติต้องการให้เรามีปัญญา ตองการจะมีสมาธิภาวนาเพื่อต้องการแก้ปัญหาชีวิตของตนเองนี่อยู่บุญสงเคราะห์ตัวเองบุญนี้ประโยชน์แก่ตัวเองมากไม่ใช่บุญนอกตัวอย่างที่เขาไปทำบุญผาป่ากับินกันอย่างนั้นบุญสงเคราะห์บุญอนุเคราะห์กระสงให้สร้างกุตตรอนุเคราะห์กระสงได้อยู่สบายเอาบุญไปเอาสตางไปช่วยสร้างสลาให้เขาบางเพียงกุศลให้สบาย อาสตางค์ไปสร้างโบสถ์แกี่หลัง ột, ต้องการให้โบสนั้นเป็นหลักช้พระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นองการให้บวชงาได้องการให้พระทำสังฆกรรมได้เท่านั้นแต่เป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์แต่ยังไม่หมายความว่าเป็นการสงเคราะห์ตัวเองบุญตรงนี้เอาไว้ก่อน พราพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาสอนให้เราพึ่งตัวเองเนี่ยเป็นบุญอันยิ่สําคัญมากต้องการให้เราช่วยตัวเองให้ได้เป็นบุญสําคัญมากต้องการให้เราแนะแนวตัวเองสอนตัวเองอย่าให้ผิดทางอย่าให้จิตเลเเลาทางอย่าให้จิตมันไปสู่ที่ตามต้องการกั้นจิตให้มันสูงโดยสติปาสี่เรียกว่าเจริญพระกรรมฐาน ในฐานะเราดีฐานะของคนจะดีได้คนนั้นต้องมีวิชาความรู้ฐานะของคนจะดีได้คนนั้นต้องมีปัญญาช่วยเหลือส่งเสริมให้ภาการที่ประกอบอาชีพการงานของคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพต่อไปปัญญาแปลว่าความรู้ซึ้ง ปัญญาแปลว่าความรู้ถูกต้องปัญญาตัวนี้แปลว่าความรู้ต้องการแก้ปัญหาที่ชีวิตมันตํำให้กลับร้ายกลายดีจะได้สร้างความดีให้เกิดปัญญาหลอกลู้ในเหตุในถอนหลอบลู้ในตัวตอนว่าเราดีหรือทั่วประการใดไม่ต้องไปดูคนอื่นเขากดมุ่งหมายอันนี้เป็นการต้องการมาก ขออนุโมทนากับผู้อำนวยการศูนย์อย่างดียิ่งแล ะ, ะเจ้าหน้าที่ทุกคนและครูอาจารย์ที่เราควบคุมและให้วิชาทุกอย่างทุกด้านของศูนย์ฝึกอาชีพพระประแดงนั้นจุวมุ่งหมายก็ต้องการตรงนี้ไม่ใช่ต้องการจะไปสวรรค์พพานที่ไปบวชชีพรามตามวัดแล้วก็ไม่เอาเนื้อเอาไตาแต่ประการไดบวชชีพรามเพื่อเอาหน้าเอาตา สีและเจริญนินาคเรียสงสินสติสงศินก็ไม่ใช่สินแท้มันสินกลอมได้กลอมคือรับ ก, กับพระแล้วไม่ปฏิบัติตามพระเรียกว่าสีและจาริญนีสินกลอมถ้าสินที่ดีคือปฏิบัติธรรมอย่างนี้ปฏิบัติให้มีสินหมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่น้องทุกคนมีสติกำหนดจิต ชะตากรรมของชีวิตดังนั้นมีความรู้ตัวคือสัมชัญญากายเวทนาจิตธรรมกายจะยืนก็มีสิ้นจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหลี้ยวยขวาก็มีสติมีสิ้นมีธรรมด้วยอริยบทต่างๆของตอนเองนั่นแหละถูกต้องแล้ว เลือดว่ายานุปัษนาเป็นต้นเวทนาทุกคนเป็นรังคับไม่ได้มันช้ามไม่ได้มันเป็นเวทนามีสามประการที่ท่านวิทยากรจะอธิบายต่อภาคหลังสุขหรือก็มีแต่ความทุกข์เยงคนความสุขที่แน่นอนเราจะหาหน้าจากการเจริญวิปัสสนา ความสุขที่จอมกลอมเราจะไปหาได้ตามสังคมกินเหล้าก็มีความสุขเล่นคานทันนันก็มีความสุขเที่ยวแสสวนหัวนาก็มีความสุขแต่เป็นความสุขนอกประเด็นนี้ทางนะั้นเป็นความสุขที่เกี่ยวปนด้วยความทุกข์ที่เราสร้างสุขขณะทั่วคราวกินเหล้าเมาแล้วสนุกหายสางเมาก็ไม่ทุกเสียเงินในการจีล่า เสียเงินเสียทองแล้วก็เสียเวลาทําให้โลกภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโลกกายโรคใจก็ตามมาความสุขนั้นจึงเกลียวปนด้วยความทุกข์เรียกวเวทนาความเสียใจความเศร้าใจความหมองใจก็เรียกวเวทนาบังคับมันไม่ได้บันชามันไม่ได้มันเกิดเอง แต่ปัญหาอยู่ที่มีสติควบคุมจิตไว้ให้ได้อย่าให้มันเกิดเวทนาอย่าให้มันนอกเวทนามีายเสียใจก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขที่แน่นอนไม่ได้เลยต้องมีสติควบคุมจิตทำให้สติดีทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจปกตินั่นแหละคือศีล ที่เรามีอยู่ในตัวตนทุกคนแล้วแต่เรากลับเอาศีลเราไปทิ้งไม่มีมารยาคนที่มีมารยาดีนั่นคือคนมีศีลมีสตินั่นเองมีสามปชัญญะกําหนดตัวเองชะตากรรมที่เราคาดหมายว่าเรากําหนดสะตากรรมของเราเองตัวกําหนดจิตนั่นคือตัวสถากรรมกําหนดดีมีสติ ทำก็ทำดีกำหนดจิตไม่ดีขาดสติไม่มีสำนึกชันยะไม่กำหนดจิตก็ต ว, ว่าเราจิตใจก็เลวไปสู่ที่ต่ำคิดแต่ความโลภคิดแต่ความโกรธคิดแต่ความหลงแล้วก็คิดแต่สิ่งที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองเลยนี่แหละที่นอนศิลกตรงนั้นน่ะไม่มีสินะเวทนาที่บันคับ ไม่ได้บัญชาไม่ได้มันเกิดโดยสาภาพของมันเองปวดเมื่อยทั่วสกุลกายก็ปวดนี่มันเกิดเองางนานนานๆไปมันก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดาบรรทับไม่ได้บัญชาให้มันหยุดปวดมันก็หยุดไม่ได้แต่ปัญหามีอยู่ว่าต้องเอาสติไปยัดมันโดยกำหนดว่าปวดหนอเป็นตน้นรู้หนอเป็นตน้นนี่แหละ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 ไม่สาบายใจก็ต้องไปกินเหล้าไม่สาบายใจก็ไปูฮเ็นไม่สาบายใจก็ไปกินเลี้ยงไม่สาบายใจก็ออกเที่ยวให้เกิดความสาบายใจชาวทานไปเที่ยวแล้วกลับมาเงินทองหมดกระเป๋าแล้วก็มาได้งานไม่ได้กามทิ้งงานทิ้งการัดนั่นแหละตัวนั่นน่ะมีทุกเรียกว่าุเกเจือบปนด้วยความทุกข์ขึ้นมา แล้วจะไม่มีโอกาสจะมีความสุขที่แน่นอนปลอดภัยในชีวิตประจับสิ่งแปรการใดมีแต่ความเสียาจยมีแต่ความเศร้าใจสามีภรรยาทะเลาะกันก็สิล้าไปกินเหล้าให้มันสบายใจฝ่ายภรรยาเสียใจเลื่อนสามีก็ไปเล่นไายให้มันสบายใจกับเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวรุ่มร่วมรุ่นกัน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 เสียใจเรื่องผิดหวังมันก็เกิดขึ้นประดังกันเช่นนี้แล้วเราไปาเอาสินยัดเอาสติยัดสติว่าเสียใจหนอเสียใดหนอที่ลิ้นปีนสมาธิจิตดีสินดีสมาธิดีแล้วมันจะขับความเสียใจออกไปเอาดีใจเข้ามาแทนที่สร้างความดีทำงานต่อไป งานจะได้สาเร็จด้วยความดีไม่ใช่งานสาเร็จด้วยความชัว่วเอาตัวไม่หลอดแต่ประการใดกดมุ่งหมายอันนั้นขอฝากพี่น้องไว้นี่แักะทางตรงของพระพุทธเจ้ามาใช้มนยุยทีไปเจอพระพุทธเจ้าไปล่องรามทำเพลงกันนะเดี๋ยวก่อนเนี่ยไปวัดไหนไม่รู้ อ้อ น, น่ากำหนดเข้าโหงมาแล้วเดี๋ยวเป็นโหงลำเดี๋ยวก็ว่าอาชาเปันจะชาตเป็นเคยเป็นโหงอันนี้จะชาตเคยเป็นทวัตนตอนมันจะมากไปแล้วมันจะเบอ้อไปแล้วมันจะบ้าแล้วมันจะวิกลจริตทะมันจะผิดทุนทางมรรคธรรมชาจะไม่าสา ม, มารถจะมีสติควบคุมจิตได้มันก็บาบอคอแตกออกไปไล่มาลยาขาสิงขาดทำขาดิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วขอฝากไว้ ตรงนี้เป็นจุดสําคัญของเวทนาเวทนาปวดเมื่อยทนไม่ไหวปวดหมอมายิ่งปวดหนักเป็นการศึกษาเล่าเรียนต้องการจะเรียนเวทนาว่ามันเกิดมากน้อยเทียงใดจะต้องศึกษาให้เข้าใจเข้าใจของจริงของจริงเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นต่างดูดาบไปอุปาทานก็ไม่ประยึดก็แยกรูปแยกรามออกมาเชื้อสติก็ดีปัญญาก็เกิด จิตก็ไม่ไปไปน่วงหนักไปอุปาทานยึดเวทนาหรอกนะปัญญาก็เกิดขึ้นเราก็ไม่มีปวดเมื่อยอย่างนะั้นมันก็แยกออกไปถ้าแยกออกไม่ได้เราจะมีแต่ทีเล็ดติดตัวอยู่ตลอดเวลาไล่ปัญญาไล่สติไล่สัมปัญญะไม่ได้กําหนดจิตจิตใจเลวจิตใจไม่ดีจิตใจดําทำไม่ผิตเที่ยงโหด พาลุนบุร้ายแถนฆ่าสาปตัวเป็นให้ําตายจนต้นจิดเสียจิตเลวมันน้ําเสียน้นาําเน่าเหมือนกลาเนา่าอยู่ในค้องเดียวกันนั้นก็เสียทั้งบา้านท่าบ้านนี้พอบ้านแม่บ้านเลวลูกก็เลวไปด้วยเสียทั้งค้องเสียทั้งบา้านเสียทั้งครอบครัวเสียทั้งสำนักสำนักงานด้วยมันออกไปเป็นความเสียหายทางนั้น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 าการช่างตัวเองาการเจริญส ก, กามาฐานเป็นการสร้างฐานฮะของตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมิใช่คนอื่นเป็นผู้รับประโยชน์เส่เราเราเป็นผู้ไายหมื่นเปอรเซ็นต์ชีวิตนี่ละเวทนาทุกยากละมา ก, กายทุกในตัวเราก็มากแล้วทุกเกิดก็เป็นทุกอายุมากแต่ไปแล้วก็เดินงอแงก็มีแต่ความทุกเดี๋ยวก็ เจ็บอีชะปว่วยเจ็บระหวยป่วยไข้อาภาษมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนะั้นแต่เราก็หาที่มาของทุกข์ได้ก็คือตั้งสติด้วยความกำหนดทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในตัวเราในสกลกายนี้เองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราทำตัวเองมันเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมะก็เรียกว่าธรรมชาติธรรมะก็เรียกว่าธรรมดา ไม่มีะระวิเศษวิโสต้องการจะศึกษาธรรมชาติของการจะศึกษาความจริงของชีวิตใช่หรือไม่้องการมาใช้ชีวิตจริงกันในที่สงบแห่งวัดอพวันในวันนี้นั้นสาเปตโยแต่ท่านเองมีแต่เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์าเหเรียกว่าเวทนาไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อยู่เฉยๆใจมันก็ลอยหาที่เกาะหาที่เกี่ยวไม่ได้ ก็เรียกว่าเวทนาจาเป็นแล้วก็กําหนกรูหนอรูปตัวเสิยบ่ะจิตใจมันลอยจิตใจมันเลื่อนลอยจิตใจเลืญญญ่อนลอยออกไปแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวไม่มีที่พึ่งทางใจเราต้องหาที่พึ่งทางใจเจคือสติธรรมชาญญะคือการเจริญทางสายเอกของพระพุทธเจ้าพวกเรานั้นทําให้เรามีที่พึ่งทําให้เรามีที่เกาะที่เกี่ยว และมีที่เกาะที่มาที่พอเหมาะในเหมาะสมแต่ตัวตนของเราเองโดยเฉพาะ อ, อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าความทุกข์ความโศกเข้าเสียใจยเราก็มีทุกข์แต่จํากันแล้วเกิดเป็นทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์เจ็บระหวยป่วยไข้ก็เป็นทุกข์หิวโหวยละหายน้ําหายหิวข้าวก็เป็นทุกข์ร้อนหนักก็ทุกข์หนาวหนักก็ทุกข์ มันหาความสุขมาได้โดยแต่ปัญหามาอยู่ที่เอาสติกาหนดไว้ให้ได้เอาสติกาหนดไว้ให้ได้ทจถึงจะรู้ว่าทุกอะไรสุขอะไรแก้ไขยังไงทุกตรงไหนสุขตรงไหนควรจะแค้ไขยังไงในตัวเองจึงเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานสีนั่นเองเรียกว่าอะไรอีกเรียกว่าบำเพ็ญสินสมาธิปัญญา เรียกว่าทำจิตให้เขา้าขั้นทำจิตให้รู้จริงเอาจิตปลอมปลอมไม่ได้จิตปลอมปลอมคือจิตพวกเรามันเล่นรับแฝงอยู่ในดวงใจอยู่เสมอพี่กันทุกคนมันไม่มีความรู้จริงเลยรู้แต่จอมปลอมมันมีแต่กิเลสน า, นาระการความโลภก็เป็นอาหารใจความโทสะก็เป็นอาหารจิตที่ชอบโทสะชอบชุ่เฉียว ความโมหะคือความหลงไร้วิชาขาดความรู้จริงมันก็เป็นกิเลสให้จิตใจต้องไปแสหาความโลภความโกรธควา ม, ลวามลหลงและนาปละการถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันก็ไปตึงเบล์ทไม่ให้โลภอยากใ้ของเขาเบล์เข้าไว้ไม่ให้เกิดความโกรธเขาเรลเข้าไว้ไม่ให้จิตใจเป็นพิชชี เลยเลยจิตใจเป็นที่ขีฉันดานไม่ดีเรียกว่ามูหะแปลว่าความหลงหลงสิ่งที่ไร้สาระไปหลงสิ่งที่เดือดร้อนไปหลงสิ่งที่ไร้สาระขาดความเหมาะสมในตัวเองเลยเราก็ประเลกด้วยกําหนดรู้หนอรู้หนอไอ้ที่รู้นั้นใช้ไม่ได้มันรู้ที่ขี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 ถึงต้องกำหนดตรงนั้นตามที่วิทยาอ่อนจสดจี้แจนคือโยมพันโทวิงรอดเผยคุณนายสุวรรณนาดลามากสังกอ่อเทสละมาแล้วต้องการชี้แจงอย่างนั้นสำมนเห็นก็ดีโปรดตั้งใจปฏิบัติโบนในละเวนขอฝากพระทีละวัดไว้ด้ว ย, วยอันมาจากสางระเที่ไหนประเทศก็ตามาตั้งใจอย่างเยียมทำงานทำด้วยความตั้งใจ ทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเคารพทำด้วยความสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะเป็นเหตุผลที่หนาฟังศรัทธาไหมให้ศรัทธาเลยให้เอื่อมสายเลยสังคัดตายทำมาเข้าไปก็ได้บุญสังคัดตายนั่ก็ได้บุญสังคัดาตายไปบุญก็ไม่ได้ได้แต่ความบาปเือเดือดร้อนสังคัดตายไปวันหนึ่ง หาที่พึ่งทางใจไม่ได้แล้วจาให้มีประโยชน์แต่ตอนเองเลยเกิดมาเสียชาติเกิดก็เสด็จไม่ได้กลายเป็นคนเศษมนุษย์บุรุษคมลอยไม่มีความหมายในลูกนุษย์แต่พิการได้พี่น้องผู้พิการทั้งหลายอย่าเสียใจโปรดตั้งใจใช้ดีส่งการความดีกันต่อไปจุดอย่าพิการเลย ล่างกายคนมารุ่มก่อนหลายปีแล้วเขาเป็นสาวขาเขาขาดไปข้างนึงมือก็อนิ้วไม่มีแต่กลับจากศูนย์ฝึกพ ร, ระแดงนกลับไปเย็บผ่าเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เขาแต่ไอ้น้องชายน้องชายร่างกายสมบูรณ์อาการสามที่สองเขบแต่กลับมาขอเงินพี่สาวชายทุกเดือน ไอจิตมันที่กาจิตมันเลวจิตมันไม่มีปัญญาจิตมันไม่ฉลาดจิตมันเลวเลยก็ขอเงินพี่สาวผู้พิการเอาไปใช้ทุกวันเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยขอฝากไปด้วยนี่จากศูนย์ทาปแดงรุ่นก่อนรุ่นแรกของสมัยอาจารย์เสาวนีทวินแก้วเป็นหัวหน้าศูนย์ทั้งแหลกยังจาได้ชัดเจน และคนนั้นก็ยังเลี้ยงแม่อยู่ทุกวันนี้ได้มีไรายได้เดือนเป็นหมืนม่นๆเย็บผ้าขาก็ไม่ดีขาไม่มีแถมนิ้วก็ไม่มีอีกแถมสามารถจะเย็บผ้าเย็บผ่อนทางทรงได้สวยได้คะแนนสงสารจากประชาชนมาอุดหมุนกันมากทัพข้าได้เงินได้ทองเพราะการยุคกตเวชกาธรรมและเธอก็นั่งสมาธิว ล, ธมพมพละสองชมงแล้วนี่ยังมีช่วยอยู่ด้วย ขอฝากท่านพิการไว้ด้วยแ่จิตเขาไม่คิการเขาสามารถเปง่ายเปลี่ยนเสียขามาเย็บผ้าเย็บผ่อนเลี้ยงแม่เขาง่าจนทุกวันนี้นะขอฝากไปทุกคนด้วยนีเรื่องจริงที่ผ่านมาแล้วเป็นเวลาหลายปีแล้วนี่กดมุ่งหมายอันนั้นจิตดีมีปัญญาทำอะไรได้ทุกอย่างขาแข้งไม่ดีจิตราทำได้ทุกอย่างแ่ขาแข้งดีๆ1ร้อยเปอร์เซน เพราะอาการสอนทีสองจิตมันเลวจิตมันตา่าทาอะไรไม่ได้ทุกอย่างทำไม่ได้เลยจะเอาดีก็ไม่ได้เอาได้ก็ไม่ดีเอาดีก็ไม่ได้จะไปมีครอบครัวก็เอาดีไม่ได้อะชีได้ก็ไม่ดีอะชีดีก็ไม่ได้เลยก็ด่าชภาพอย่างนั้นเองคือคนที่ตามในจิตใจเร็วมากดีไม่ได้ทั้งหมด จิตดีมีปัญญาดีทั้งหมดในบ้านในครอบครัออวถึงขาแข่งทันธิการแต่จิตทั้นชดีมีปัญญาทำอะไรได้ทุกทุกอย่างใช้สติปัญญาใช้สมองใช้โดนบรรดาในเรื่องบุญกุศลวกสนาบารมีของตนที่ได้สร้างสรร์อบรมมาปฏิบัติทำได้เขาก็มีปัญญาแก้ไขปัญหาถึงกับง่ยเปรียดเสียขาใช้สมองจัดงานให้ญาติพี่น้องทา ให้ยากมาช่วยกันแล้วก็ทําด้วยความถูกต้องแล้วทางทั้งหลายมาเนี่ยขอให้มาดิศรทาตั้งอกตั้งใจทำอธิบัตทกิจะทำให้เป็นประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การที่สองทำด้วยความเคารพนั้นเคารพตัวเองตัง้งอกตั้งใจรับสินแล้วนะต้องมีศินมีธรรมรับกรรมฐานเนี่ต้องจเจริญะกรรมฐานด้วยความเคารพตัวเอง สองเคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สามเคารพระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายของบ้านเมืองด้วยจะเป็นประโยชน์ของท่านมิใช่ น, อน้อยนอกเหนือจากนั้นแล้วพอต่อไปท่านจะทําอะไรจิตท่านจะเลืยสงบลงหาท่านไม่เคารพใครไม่เชื่อฟังใครแล้วก็ไม่ไม่ทำไม่เป็นตนของตนเองนะ้ท่านจะขาาดเคารพสถานถาที่ ข้าอาารเคาพรพครูอาจารย์ขาอาารเคารพพ่อแม่ข้าอาจารย์เคารพท่านครูบาอาจารย์สุดโ้องจะเอาดีเลยไม่ได้เลยอย่าลืมการเคารพสามประการนี้ให้มั่นอยู่ในตนความสงบก็จะลดลงไอ้ความฟุ้งคุ้งกระายมันจะหายไปแ่ะความสงบก็จะเนียบสงบสงัดลงและความถูกต้องนั่นคือตัวปัญญา มันจะลอกลูกในกองการฉังขานท่านจะได้อ่านตัวออกท่านจะได้บอกตัวได้จะได้ทช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตาลจะได้คลาสิคทีจะได้ยำริชอบท่านจะได้ประกอบภูศนได้ผลอันนันตลักฐานสําคัญเกิดขึ้นในตัวของท่านเรียกว่าอัตสมบัตมีสมบัติมนุษย์นอกเหนือจากสมบัตมนุษย์มีแล้วท่านจะขยายสมบัติจากมนุษย์แยกแยะออกไป ช่วยเหลือโดยที่ภาชนที่จะมูกหรืนเหม็นหรือหอมก็ตามเรื่องของมันธรรมชาติไอหมาเน่ามันก็เหม็นไอคนเน่าตายแล้วผีเน่ามันก็เหม็นน้ําอบมันก็หอมเดี๋ยวมันก็เหม็นไอเหม็นเดี๋ยวก็หอมไอหอมเยวก็เหม็อ น, อ, ม อ, ม อ, น อ, มอย่าไปสนใจมันกําหนดว่าสิ่งหนาเป็นกฎจะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่น้อยเหม็อ น, อ, มนอย่าไปสนใจความเหม็น หอมก็อย่าไปสนใจความหอมอุเบะขาภาวนาก็เกิดขึ้นไม่สนใจอะไรก็ใครที่มาเลวร้วายสนใจความดีมาใส่ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำไนดะ้อย่าไปสนใจคนอื่นครับว่าคนนั้นชั่วควนนี้ดีเลยก็เกิดความสันเสรินอินทากันขึ้นมาเกิดการต่อว่าต่อขานต่อความล้ายกันขึ้นมาต่อความยาวสาวความยืดลืล้มกอยหากะเถิด ียิกเล็บมันก็เจ็บเนื้อเป็นธรรมดาเรื่องเก่ามาลื้อฟือ้อเรื่องอื่นมาเชื่กิจที่ชอบใหาช้านเป็นกิจกรรมที่เลวแล้วจิจที่ชอบเพียงต้องช้ำเป็นกิจกรรมสร้างอนาคตให้เรารุ่งโลภโทษธนาการมีความเจริญยืดยาวในอนาคตต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองทุกๆคนอ๋อฝากไว้ในวันนี้ พเราเริ่มตนแล้วกินน้อยนอยนอน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากโทษ ข, ของท่านดีรักษาบสถดองคแปดตารรักษาทิ้งแปดด้วยข้อยอ่อเธอความเป็นองค์สิง ต, ตัวสิงที่แท้ที่แน่นอนก็คือตัวสติสัมภิชัญละเป็นความปกภิกาวาจาของตนน่าเป็นองค์สิงแท้แต่ข้อปรียย่อยองค์การเรียกว่าปานาจะสามดับ เราจิตใจดีมีสติดีมีธรรมะดีไม่ต้องกล่าวถึงปานาก็ได้เพราะเราเห็นจะไม่ฆ่าสัตว์เพื่ต่อไปเราจะมีต่เมตตาต่อสัตว์ทั้งหลานแล้วเราก็ไม่ต้องวาอธินาทานาเวรมณิยติเพราะเรามีคุณภาพมีสิ่งมีธรรมมีธรรมมีสินน่งแหน่ไหนเลยเราจะไปลัดขโมยใครเขาล่ะจะไปเหยียดเบียนครัพย์ทําไมแล้วไม่กลองซ้ําต้องกล่าวองค์ศิล ขอให้เรามีสติทั้งบัญชาญะกำหนดกรรมฐานจะไม่อยากเบียดเบียนใครเดือดร้อนจะไม่อยากได้เงินได้ทองของท่านผู้ใดเลยจะหาได้มาด้วยฝันโดดมากน้อยได้มาของเราเองก็เป็นการพอใจของเราเองไม่ต้องการไปพอใจไปได้เงินไปลักขโมยเข้ามาแล้วเป็นที่พอใจแล้วไปเอาความสุขของเขามาเป็นความสุขของตนแล้วก็ถีบเอาความทุกข์ไปให้เขา ให้เขามีแต่ความทุกข์และเอาความสุขเข้ามาใช่ไม่ได้คนนั้นลายสินได้ทำในความกล่าวว่ากาเมรหรืออภริยากาเมจะมีขาจารมในกรรมก็กราวแต่เรามีสติธรรมะชัญญะเป็นคนปกปติดีมีสินมีชามประเวณีบ้าหมัดสีในสังคมคงไม่ทำคงไม่กล้าทำเพราะมันไม่น่าจะทำ เพราะมันมีจิจกตามมีศีลมีธรรมจากภาคปฏิบัติแล้วมันจะเกิดประโยชน์ในกรธรรมะในจำเป็นต้องล่วงประเวณีหน้านะบากศีในสังคบอีกต่อานและในจำก็กล่าวหลอกลวงโลกหวังอาลาบครับเรามีสติ ด, ดีมีสัมปชัญญนะดีกำหนดจิดใช้ดีได้ดังที่กล่าวแล้วทำให้มันจริงจิงอย่าทากลองอย่าทาเป็นชงรตาย ฉันจะมาอย่างอะไรฉันจะได้บาปับไปไม่ได้บุญแถมได้บาปอีกด้วยจะไม่เป็นประโยชน์ตัวที่ผลแต่ตัวเองแต่ประชานได้แต่เรามีสติดีทั้งปัญญะดีเราก็ไม่อยากจะโกหกคนอื่ครับไปหลอกลวงเขาทำไมนะก็จะยังไม่ล้ายเขาหลอกลวงตัวเองโกหกตัวเอ ง, เองนี่มันแล้วที่สุดคนที่มีสินล่ะทำเขาไม่โกหกตัวเองแล้วเขาก็เชื่อในตัวเอง ไอ้โกหกคนอื่นเนี่ยก็ยังบาปแค่หกสิบอร์ซ็โกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองเนี่ยบาปถึงแาดสิบปอร์ซออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากถาเรเไมีสติกรรมฐานเต็มเตี่ยมเพียบด้วยเรียบร้อยด้วยศีลธรรมเนี่ยรับรองเราคงไม่ไปเดิมยาเสพติดเดินสุลายาเมาไม่กล้องไปเอาค่าไปเทศเลยแล้วก็ไม่ต้อมาคับ ด, ด้วยเขาจะไม่เดินสุลาจริงๆ และจะไม่เดิมยาเสพติดทุกชนิดที่มัเสพติดย้อมใจให้ยั่วยุในทางอารมณ์ย้อมใจให้ยั่วยุทางเลวทางการมกุณเปงนต้นเหม้นจะต้องไม่ใช่ใจในเรื่องนั้นพี่น้องที่ละโชคของท่านดีรักษาโบสดทุกอ่าแต่เวลาการจำกัดรักษาโบสดได้สำเพอวันละคือวันหนึ่งและคืนหนึ่งเวลาวันนั้นก็ยังรักษากันไม่ได้ เออพระพุทธเจาแสดงชัดเจนมากว่าใครมีสติทั้งปัญญะมีปัญญามีกำหนดจะมาถานได้ท่านถือว่าจิตใจสดชื่นก็เรียกว่าอุโบสถใดใด ไ, ได้ได้แน่ๆบางคนเข้ามารักษาอุโบสถตามวันชัในทารษาจิตใจก็แห้งแล้งจิตใจก็ไง่สดชื่นจิตใจก็ขมขื่นจิตใจก็ละทอมจิตใจก็สมอง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 นั่นแหละคืออุโบโสถที่ถูกต้องแต่ตามกามเวลาสำหรับคนที่จิตใจมันฟุ้งซ่านมากมาสงบกันได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเรียกว่าอุโบโสถตามการเวลาเรียกว่าวันพระแต่นอกจากวันพระเรากลับไปบ้านแล้วมันก็มีแต่เรี่ยงวุ่นวาย เรื่องในบ้านสับสนมีตะโกหกหมดเหตุการณหละล้วมหลอกและเลี้ยวไหลหลอกลวงกันในบ้านของก่อนควาเหนือบ้านตายก็ไม่จะเลี้ยงหลอกลวงกันจึงเรียกว่าอุโบสถในบ้านไม่ได้ถ้าจริงจังตัดความไว้ว่าเพียงวันพระึ้นมาสงบที่วัดแต่เรามาทั้งสองคืนสามคืนก็สาถ้าเราสงบจริงก็เรียกว่าอุโบสถทั้งสามวันสดชื่นทั้งสามวัน จิตใจก็ ส, าสบายทอดจิตใจมาสงบนาทีสันติปลังถุกขังถูกอื่นย่ดก่าความสงบไม่มีแนวเราก็อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสุขจิตใจก็ไม่มีทุกข์จิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านวัถ้ามที่แห่งแดนวิสุขาวดีนี้น่ะเป็นแดนแห่งความสงบเป็นแดนไม่โกหกัน และเป็นแดนความจริงของชีวิตจึง เ, เรียกว่าอุโบสถคงไม่ผิดพลาดคงไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วที่เรียกว่าจำพ่อวันชะก็เรื่องจากเรามีธุรกีกมากสำหรับคนประออกอาชีพคารวะที่อยู่ในบ้านต็องโกหกหมดแท้กันต้องพูดรอกลวงกันพูดเย้าแด่ให้แห่กัน พูดในด้านากรรมมงคลโลกเสียงตืน่นรถโถดถับพระมีแต่ความยั่วยุในทางโลกจึงไม่สามารถเรียกว่าอุโบโสถในบ้านได้เราเรียกอุโบโสถที่แน่นอนก็คือการเจริญสติปัฏฐานสีสร้างความดีให้จิตสงบความสงบกันอ่าเป็นความสุขความชำระใจให้สะอาดก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ทำให้ใจสะอาด ซักฟอกจิตให้สบายทําใจให้ให้เกิดแสงสว่างทําใจให้หมดจดทําใจให้เฉยเราจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ความยากอีกต่อไปถึงจะเรียกว่าอุโบสถศรีสิงมีอสิงแต่ความจิตใจก็สดชื่นถ้าขาดสิลห์ขาดธรรมจิตใจก็สมองจนเรียกอุโบสถไม่ได้ มัจายเช่าหมอนอ๋อบาพี่น้องไว้ทุกคนในวันนี้เพื่อหมายเสียเวลาในที่ประชุมนี้พัฒนาจิตก็ตั้งสติวัชิจตจุดเกิดทางตาเห็นด้วยปัญญาจุดเกิดทางหูพัฒนาทางหูอย่าไปฟังเขาโกหกอย่าไปฟังเขาหลอกลวงอย่าไปฟังเขาด่าด่าับไปหาเขาเองเขาไม่ได้ดา่าแล้วอย่าเสียไปรับเอามา ถ้าเรามีสติดีจะไม่เสียขอเสียกไปรับความด่าเขาเข้ามาไว้ในใจตรงนี้แต่ความทุกข์ความยากความละหมาสรพันไปตรงนี้ขอพี่น้องตั้งใจปฏิบัติอย่าไปใส่หาเรื่องอย่าไปเปลีอยนเวลาอย่าไปเอาเรื่องของใครทางนั้นมาใส่ตัวเองก็องเอาเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะอย่าไปหาเรื่องหาราวกัน คนที่หาเรื่องเปลี่ยนเวลาคนร้สาละคนเศษมนุษย์บุรุโครมรอยไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาหาที่พึ่งกันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้นไปเราเกิดมามีหูมีตามีป า, ากมีฟันกันทุกคนแต่สร้างตนเสห้ดีสร้างความดีเสีห้บัดถึงเราจะเป็นพิการแต่ จ, จิตใจเรามีบุญ มือคุประโยชน์เหมือนนางแก้วนา ม, า, วาม้าลราบ้าเหมือนมา้าถ้าจิตใจดีพระฤาษีบอกแก้วเอ๋ยฉากิน่าจะต้องเป็นคนสวยเด่นเป็นนางนางามของผู้ราชาขอฝากไว้นางแก้วเอ๋ยเราจะเป็นอาเอกขึ้นมาเหสีขององค์พระราชาในนาคตถ้าจิตเจ้ามีศีพลพระฤาษีเขาบอกอย่างนั้นต่อไปนางแก้วก็มีศีลนิสัย มีกาละยานธรรมสวยน่ารักจนพระปิ่นทองหาได้ดูใหม่ว่า น, นี่คือนักแก้วเมรุอดิจติหลับสวยอย่างโสภามเมชพิดาลอยมาจากสงว ง, งสวรรค์ดําเลยชี้แกงแสดงมาจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายยีต่อไปอีกยาวนานภาคซ้อนภาคตายช้อนตายจิตส้อนจิตมันทำให้เราพลาดผิดมันมาซ้อนให้เราก็หลงก้น โอดย้ายซ้อนกายยายซ้อนจิตขอให้อย่ามีพิษมีภยัยต่อตัวเองต้งมีแสงสว่างทรงกล้องเหมือนฉายเอ็กซเรย์จิตสายเอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์จิตใจร่างกายที่การจะจิตใจเหล่าดีมีปัญญาร่างกายจะเข้มแข็งพัฒนากายให้แข็งแรงพัฒนาจิตให้อดทนพัฒนาเวลาอย่าให้มันเสียวเวลาไปเ ป, ปล่า รประโยชน์แต่ประการได้ขอพี่น้องศิลรักเฮ้ยเราเป็นญาติกันแล้วเราเป็นพี่น้องญาติคุณเคยในธรรมะไปมาหาสู่ในทางธรรมมีอะไรก็พึ่งตนเองพึ่งคนอื่นช่วยเราได้สมปราศนาเรียกวาญาตนานบรวรพระพุทธกราปสนาสนิทด้วยความดี สนิทด้วยความคุ้นเคยจากความดีนั่นเองเป็นบนัฑิตในจิตใจและสาวโบจดสลอดในกรรมฐ า, านท่านจะได้รับผลอนิสงของความมุงมั่นศาสนาดังได้ชี้แจงโอวาทมาพอสมควรแต่เวลาในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสรุปทำเป็นกูช้อนทางมิใช่เป็นอาปูชน ทำดีก็เป็นกูสอนทำชั่วก็เป็นอากรูสอนลูหนอถูกต้องแล้วหนอให้เป็นอากกูสอลักธรรมอีกต่อไปแล้วแต่พเจ้าจึงกำหนดว่าลูหนอเรียกว่าทำมานุ ป, ปนัสนานปฏิปถามสรุปใจความของชีวิตเรามีแต่กรูสอนช่วยตัวเองอากกูสนหลักธรรมนี่มันช่วยตัวเองไม่ได้มันยอมระยำทำให้รั่ว ทำให้ตัวอับบางจะไปพึ่งใครก็ไม่ได้อีกต่อไปจึงเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานประวัติธรรมเป็นกุศลบนกุศลจะพึงได้สรุปข้อสี่ของการเจริญสติปัฏฐานสี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปัฏฐานสรุปข้อหึการในการจิตใจไม่สติตายเนาะพอกกดีเวทนาในเวทนา จิตใจดีมีปัญญาเวชนาหายไปเหลือเวทนาในคือจิตใจสราดจิตานุปัสนาจิตดีมีปัญญาพัฒนาได้ทุกอย่างธรรมานุปัชนาจิตเป็นมหากรุสนดวงแปดคือสิ้สมาทิปัญญาทานน้ำใจคือเมตตาก็เข้ามาสู่เรา เราก็ไม่จ่าเมฆตาปลามีอารีเอื้อเพื่อขาดเหลือคอยดูการสัมพันธร์รมัยจีเรียกว่ามนุษย์อย่าสัมพันธ์ในช่องโคมต่อไปสุดท้ายนี้ก่อไฮโอวาสมาพอสมควรจะอัภาพเวล า, าก็ล่วงเลยมาพอสมควรงามโบได้รับฟังคุณโยมผู้เป็นวิทยากรพันโทวินรอบเถอยโยมคุณงามชุวัรณ า, าดระม่าเพื่อจะชี้แจงกล่าว การภาคปฏิบัติสืบต่อไปณโอกาสแบบนี้ขอความสุขสวัสดีตรงมีแก่ทำทางร้ายขอท่านจงเจริญทำสัมมาปฏิบัติงอกงามไพยบูรในบรวรทพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเพื่อช่วยตัวเองต่อไปขอท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะ ภลกข์ภะปฏิภาณญญาจารละสมบัติไม่เทียดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาติปราถนาด้วยการทุกรูกทุกนามหน้าโอกาสบัดนี้เทินอขอเจริญพร